คาถาที่สาสิบเนี่นะครับระเจดต่อองค์งที่30ิท่านบอกว่าได้ยินว่าในกรุงพาราสีมีพระราชาพระนามว่าจาโตมาสิกพรหมทัตพระองค์อื่นนี้เสด็จไปทรงกีฬาในพระราชุทยานทุกสี่เดือนสี่เดือนนี้จะเข้าไปเล่นกีฬาทีหนึ่งในวันหนึ่งเท้าเธอเสด็จเพื่อเข้าไปสู่พระราชุทยานในท่ามกลางแห่งฤดูร้อน พระองค์ก็เห็นต้นทองหลางดุจต้นปาริฉัตรนะปาริฉัตรตะในสวรรค์ซึ่งมีคาคบสะพรั่งไปด้วยดอกสล้างไปด้วยใบใกล้พระธวานแห่งพระราชุทยานก็คือไอ้ต้นต้นปาริฉัตรตะกาหรือต้นต้นเนียนะต้นทองหลางเนียบางต้นนี่สวยจริงๆเลยนะอย่างบางวัดที่เขาปลูกบางบางวัดเนียมันมันเป็นต้นไม้ที่มีสีสันพอสมควระนะมีลวดลายซึ่งก็นับว่าเป็นต้นไม้ที่งามน่าดูเลยแหละ พระองอออคออก์ก็เด็ดเอาดอกหนึ่งดอกกระดอกมันสวยนี่ฮะก็เด็ดเอาดอกหนึ่งดอกมาเสร็จแล้วพระองค์ก็เข้าไปสู่พระอุทยานจากนั้นอมตะแม้คนหนึ่งก็คิดว่าพระราชาทรงเด็ดเอาดอกงามตัวเองก็ขึ้นไปบนคอช้างนั่นแหละก็เด็ดเอาดอกหนึ่งนะก็ไออมตะคนที่หนึ่งยังเด็ดได้คนหลังก็ช่วยกันเด็ดบัางคนละดอกสองดอกคนละดอกสองดอกเด็ดเอาผู้ไม่ได้ดอกก็เอาใบเพระาะใบก็ยังดูสวยใช่ไหมก็เอาใบาไป จากนั้นกลายเป็นต้นไม้ที่เหลือแต่ลำต้นใบก็ไม่เรยว่าดอกเลยขนาดใบยังไม่เหลือเพราะเขาเด็ดเอาไปคนละใบสองใบเอาไปเกลี้ยงเลยนะเพราะปลาชาเด็ดเอาไปดอกเดียวเนื่งว่าพราะองค์อนุ ญ, ญาตให้คนอื่นเอาไปหมดแล้วก็เลยเหลือแต่ต้นไม้ต้นโกรนในขณะนี้ตกมาเวลาเย็นป ร, ราชาก็เสด็จออกจากพระราชชุทยานเห็นต้นไม้ต้นนั้นก็คิดอยู่ในใจว่าต้นไม้นี้ใครหนอกระทา ในเวลาเรามาก็สะพรั่งไปด้วยดอกสวยงามเป็นเช่นกับแก้วประพานในระหว่างกิ่งซึ่งมีสีเหมือนแก้วมณีบัดนี้ต้นไม้กลายเป็นต้นไม้ปราศจากใบและดอกเสียแล้วเห็นต้นไม้ไม่ผลิดอกมีใบเหลืองหล่นเกลื่อนกล่นในที่ใกล้ต้นไม้นั่นแหลเห็นแล้วพระองค์ก็คิดอย่างนี้เลยนะเห็นต้นไม้ก็คิดถึงทรัพย์ของตัวเลยว่าต้นไม้นี้เป็นที่ตั้งแห่งความโลภของชนเป็นอันมาก ทุกคนก็โลภทุกคนก็ชอบเพราะอยากเห็นว่ามันสวยเนี่ยนะเพราะมีกิ่งสะพรั่งไปด้วยดอกอนะนะกิ่งก็งดงามดอกก็บานเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นจึงมีความย่อยยับเพียงชั่วครู่เดียวเท่านั้นส่วนต้นไม้อื่นคงดำรงอยู่เหมือนเดิมเพราะไม่เป็นที่ตั้งแห่งความโลภท่านมองเลยเห็นว่าราชสมบัติของท่านกับต้นทองหลังไม่ต่างกัน เพราะฉะนั้นราชสมบัตินี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งความโลภเหมือนต้นไม้ที่มีดอกส่วนความเป็นภิกษุไม่พึงเป็นที่ตั้งแห่งความโลภเพราะฉะนั้นราชสมบัติแม้นี้ยังไม่ถูกแย่งชิงเหมือนต้นไม้นี้ตราบใดเราพึงเป็นผู้ปกปิดกายด้วยผ้าย้อมน้ําฝาดผ้ากาสาวะเนี่ยนะดุดต้นทองหลังต้นอื่นเกลื่อนกลนไปด้วยใบเหลืองแล้วบวชตราบนั้นตราบที่ทรับยังไม่เสียหายบวชก่อนดีกว่า ถ้าเขารียกว่าอะไรนะถ้าไปบวชตอนทรยบเสียหายก็ได้เอาไม่มีทางไปเราะนั้นก่อนที่มันจะเสียหายเราก็บวชซะก่อนก็เลยสละราชสมบัติออกผนวดเจริญวิปัสนาอยู่กระทาให้แจ้งซึ่งปัจเจกโพธิยาง น, นะเรียกว่าเห็นต้นไม้เขาเด็ดดอกแค่นั้นแหละก็บรรลุแล้วเนี่ยนะคนมีบุญก็อย่างนี้เลยนะคนอื่นเนี่ยบอกโอ้ยเนี่ยทำยังไงดี ปลูกต้นไม่ปลูกให้มันเยอะๆอย่างเงคนจะได้ชื่นชมนะ น, นะก็วิธีคิดแต่ว่าพระพเจกพระพุทธเจ้าก็มีวิธีคิดที่จะออกจากวัตฏะโดยส่วนเดียวเพราะว่าธรรมะเป็นเครื่องบ่มมีมุท่านแก่กล้าแล้วเพราะนั้นเห็นสังเวกวาวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งก็พร้อมที่จะตรัสรู้อริยสัจเป็นพระปพเจกพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เลยแป่งคาถาว่าบุคคลละเพศแห่งครือัดดุดต้นทองหลางมีใบร่วงหล่นแล้ว นุ่งห่มผ้ากาสายะออกบวชเป็นบนรรพชิตเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนนอแรกจชนนั้นนะคำว่านุ่งผ้ากาสายพั์ก็คือธงชัยของพระหันก็คือบวชแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามแนวทางของพระประเจกขพุทธเจ้าเนี่ยนะก็บอกว่าออกบวชก็คืออะไรก็คือพระประเจกสสมพุทธเจ้านั้นตัดกังวลในค า, ารวาทั้งหมดตัดความกังวลในบุตรภรยาตัดความกังวลในญาติ ตัดความกังวลในความสั่งสมปลงผมและหนวดแล้วครองผ้ากาสายะออกบวชเป็นบนรรพชิตเข้าถึงความเป็นผู้ไม่มีความกังวลผู้เดียวเที่ยวไปทั่วผู้เดียวเดินไปที่เดียวเป็นไปรักษาบำรุงเยียวยาเพราะฉะนั้นเรียกว่าครองผ้าย้อมน้ำฝาดออกบวชเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดหนอแรชฉะนั้น สรุปว่าพระประเจกสัมพุทธเจ้านำลงแล้วซึ่งเครื่องไมาแห่งครืหัดก็เรียกว่าตัดเครื่องหมายแห่งครื่อหัดทิ้งทั้งหมดครองผ้าย้อมน้ําฝาดออกบวชเหมือนต้นทองหลางที่มีใบทึบเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดนอแรดเนี่ยนะจบวัดที่สามเนี่ยนะมาขึ้นวัดที่สี่ว่าท้า ท, ที่สามสิบเอ็ดได้ยินว่าพระเจ้าพาราณสีพระองค์หนึ่งทรงแวดล้อมด้วยบุตรอัมมาศ ทั้งหลายในพระราชุทยามก็ทรงเล่นกีฬาในสะบกครณีที่มีแผ่นศิลาวิเศษเนี่ยนะวิเศษก็คือพ่อพ่อครัวเนี่ยก็เอารถแห่งเนื้อทั้งปวงมาปรุงพระกายอาหารในระหว่างซึ่งปรุงเป็นอย่างดียิ่งดุดอัมริตก็บองั้นก็เรียกว่าพ่อครัวนี่ก็เอาเนื้อนะมาทำอาหารอย่างอร่อยมากเหมือนกับ น, น้ำอำมะตะเลยล ง, งั้น น้อมเข้าถวายแด่พระองค์พระราชานั้นถึงความติดในพระกยาหารนั้นไม่ทรงประทานอะไรให้แก่ใครๆเลยเพราะฉะนั้นไอ้พวกลูกไอ้พวกลูกหลานที่มาเที่ยวมาเล่นด้วยมันต้องกินกันละพระองค์ก็เสวยแต่พระองค์เดียวเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เล่นในน้ําเสด็จออกในเวลามืดก็รีบไปเสวยอีกเนี่ยนะก็เล่นจนเหนื่อยเนื่อยเสร็จก็ไปเสวยอีกก็ไม่นึกถึงบริวารอะไรเลยนะพวกลูกอัมมาพวกอะไรทั้งหลายแหลไม่สนใจทั้งนั้นแหละพระองค์ก็เสวย มาแต่การก่อนนี่พอสเสวย อ, อิ่มเต็มที่แล้วนะนึกได้กอนึกได้โอ้เรานี่ทําบาปที่ถูกเนี่ยน ะ, ะเราเนี่ยถูกความอยากในรถครอบงำลืมนึกถึงถึงชนทั้งปวงลืมบริวารไปหมดเลยกินแต่ผู้เดียวเอาเถิดเราจะข่มความอยากในรถขนาดว่ากินด้วยความาเด็ดอร่อยลืมแบ่งให้คนอื่นเท่านั้นก็สังเวชแล้ว นะั่นโอ้ยทำนี้ได้ยังไงเนี่ยนะนะขนาดดูซิแ ต, ตันหาของเรามันเล่นงานเราถึงขนาดว่าของเราไม่ยอมแบ่งให้ใครกินเดี่คนเดียวกินเสร็จแล้วก็เก็บไปเล่นเล่นเสร็จก็กลับมากินต่อกินแล้วนี่ไม่ยอมแบ่งให้ใครเลยเนี่ยนะนะสังเวชใจมากที่ตันหาตัวเนี้ยฉุดฆ่าไปแล้วเหมือนนก็เลยสละราชสมบัติผนวดเจริญวิปัสนาธรรมให้แจ้งตัดเจกะโพธิยนันติเตียนการปฏิบัติในครั้งก่อนของพระองค์ก็เลยแสดงถึงข้อปฏิบัติอันเป็นปฏิบัติ นะเขาให้เข้าใจเถอะว่าถ้าชมดีที่ไหนแปล ว, ว่าตําหนิความเลวที่นั่นนะถ้าชมธรรมะฝ่ายขาวเท่ากับตําหนิทำฝ่ายดําถ้าอย่างเช่นสันเซิร์นการไม่ยินดีในรถหรือไม่ติดใจในรถก็แสดงว่าตําหนิความติดใจในรถนั่นแหละก็เลยกล่าวเป็นคาถาว่าภิกษุไม่กระทําความยินดีในรถทั้งหลายนะอย่าไปติดใจในรถนะไม่โลเลไม่เลี้ยงคนอื่น มีปกติเที่ยวบินธบาตตามลำดับตรอกมีจิตไม่ผูกพันในตระกูลเพื่งเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนนอแรกฉะนั้นอธิบายว่าไม่กระทำความยินดีคือไม่กระทำความติดใจในรสอันควรลิ้ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสหวานรสขมเผ็ดเค็มเฝื่อนและรสฝาดเป็นต้นก็คือไม่ยังความอยากให้เกิดขึ้นในรส บทว่าอะโลโลความว่าไม่วุ่นวายในรถพิเศษทั้งหลายว่าเราจะลิ้นรถนี้เนี่ยนบทว่าอนัญยโปสีอนัญญโปสีความว่าเว้นจากคนเออเว้นจากบริวารมีสัตว์ที่วิหาริกอันตนจะพึงเลี้ยงดูเป็นต้นเราไม่สงเคราะห์ใครเลยไม่เลี้ยงใครเลยอธิบายว่ามีใจยินดีแล้วด้วยเหตุว่าสักสักว่าความสำรวมทางกาย อีกอย่างหนึ่งพระประเจกับพะพุทธเจ้าแสดงว่าในการก่อนเราเป็นผู้วุ่นวายในการกระทําความยินดีในรถทั้งหลายที่อุทยานแล้วเป็นผู้เลี้ยงคนอื่นฉันใดเราบัดนี้ไม่เป็นฉันนั้นเป็นผู้วุ่นวายด้วยตัณหาใดแล้วกระทําความยินดีในรถทั้งหลายภิกษุละตัณหานั้นไม่เลี้ยงคนอื่นเพราะอัตภาพอื่นอันมีตัณหาเป็นมูลไม่เกิดอีกต่อไปตรงนี้นะท่านอธิบายดูว่า ไม่เลี้ยงคนอื่นก็คือไม่เลี้ยงตัวเองในชาติต่อๆไปวังนั้นตัดพพตัดชาติต่อไปใช่ไหมไม่เลี้ยงคนอื่นเพราะอัตภาพอื่นมีตันหาเป็นมูลวันนั้นไม่เลี้ยงตัวเองในภพชาติต่อไปก็คือตัดตันหาตัดความเยื่อใหยในบัดนี้ซะว่ังนั้นมันจะได้ไม่มีมูลแห่งปฏิสนธิในภพใหม่ไม่ต้องไปหาเลี้ยงในชาติต่อๆไปอีกไม่งั้นนี่โอ้ยเลี้ยงแต่ละชาติแต่ละชาติแต่ละชาตินี่นะ ถ้าถามว่าคนคนเดียวเนี่ยนะถ้าเราต้องปลูกผักปลูกอะไรปลูกข้าวทานเองหมดเนี่มันจะต้ทําขนาดไหนมันจะต้องขุดบอ่อตักน้ําเองหักฟืนมาหุงข้าวเองอะไรเองสมมติถ้าช่วยเหลือตัวเองทั้งหมดเลยนะทั้งชีวิตเนี่ยมันจะเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนเนี่ยนะโอ้แล้ ว, แ ล, วแล้วมันไม่ใช่ชาติเดียวชาติแล้วชาติเล่าเนี่เลยเพราะฉะนั้นก็บอกโอ้ยอย่าไปเลี้ยงมันเลยเนี่ยนะไม่ต้องเลี้ยงมันอีกต่อไปแล้วไม่ต้องเลี้ยงตัวเองในวัฏฏะอีกต่อไปแล้ว่ตัดเลิกเลี้ยงตัวเองในวัฏฏะเรียกว่าอ An นัญญโปสีเหมือนกัน เลิกเลี้ยงตัวเองในสังสารวัตรแล้ววาไม่เลี้ยงแล้ววังั้นมหาพูดเหมือนนี่แหละเรียกว่าไม่เลี้ยงคนอื่นก็คือไม่เลี้ยงกิเลสที่เป็นเหตุให้ปฏิสนธิในภพใหม่นั่นเองบทว่าสัพทานจารีมีปกติเที่ยวไปด้วยการไม่ข้ามลำดับคือเที่ยวไปตามลำดับแห่งเรือนไปสู่ตระกูลของคนมั่งคั่งบัางตระกูลยากจนเป็นต้นเพื่อบิณบาต บทว่ากุเลกุเลอัปติพัทธจิตโตความว่าผู้มีจิตไม่เกี่ยวข้องด้วยอำนาจกิเลสในตระกูลใดตระกูลหนึ่งบรรดาตระกูลกษัตริย์เป็นต้นทําตัวเป็นผู้ใหม่เป็นนิสเหมือนพระจันทร์เหมือนอย่างว่าในจันทรูประมะสูตรว่าพระมหากษัตริย์ทำตัวเยี่ยงพระจันทร์ทําตัวเยี่ยงพระจันทร์ก็คือพระจันทร์นั้นไม่เป็นที่รังเกียจของหมู่ชนทั้งหลายน น, นก็เจริญขึ้นไปแล้วก็จากไปโดยที่ปราศจากความผูกพันฉันใด พระภิกษุก็พึงทําฉันนั้นทําตัวเป็นคนใหม่เป็นนิดใหม่อยู่เสมอแต่ลแล้วก็ไม่มีความผูกพันฉันนั้นในจุลนิเทศภาษาริบุตรนิเทศเอาไว้ว่าคําว่าในรสทั้งหลายเนี่ยนะรสเนี่ยรสคืออะไรรสที่บางอย่างรสที่รากรสที่ต้นนะคือรสที่เกิดจากรากเช่นไดรสอะไรบ้างรสที่เกิดจากรากแครอทเป็นต้นนั่นแหละรสที่เกิดจากลําต้น เอาต้นมามาบดแล้วก็บีบคั้นเป็นน้ำได้เนี่ยรสรสตัวต้นนะตัวลำต้นเนี่ยมันอร่อยก็คือทุกต้นผักทั้งหลายนั่นแหละหรือรสที่เปลือกเนี่ยนะบางอย่างอร่อยที่เปลือกบางอย่างอร่อยที่ใบอร่อยที่ดอกที่ผลบางอย่างก็รสเปรี้ยวหวานขมรสเผ็ดร้อนเค็มรสป่าหรือรสเื่อนรสฝาดรสอร่อยรสไม่อร่อยรสเย็นรสร้อนเป็นต้นสมณพราหมณ์ผู้ยินดีติดใจในรสเนี่ยมีอยู่ในโลก สมมติถ้าคนที่ติดในรถทำไงสมณพราหมณ์เหล่านั้นเที่ยวแสวงหารสด้วยปลายลิ้นได้รสเปรี้ยวแล้วก็สแสวงหารสไม่เปรี้ยวได้รสไม่เปรี้ยวแล้วก็หารสเปรี้ยวได้หวานแล้วก็สแสวงหาไม่หวานได้ได้ไม่หวานก็สแสวงหารสหวานได้ขมก็สแสวงหาที่ไม่ขมได้ไม่ขมก็แสวงหารสขม ได้เผ็ดร้อนก็แสวงหารถที่ไม่เผ็ดร้อนได้ไม่เผ็ดร้อนก็แสวงหารถเผ็ดร้อนได้เค็มแล้วก็แสวงหาไม่เค็มได้ไม่เค็มแล้วก็แสวงหารถเค็มได้รถปลาแล้วก็แสวงหารถไม่ปลาได้ไม่ปลาก็แสวงหารถสปลาได้รถเฝื่อนก็แสวงหารถฝาดได้ฝาดแล้วก็แสวงหารถเฝื่อนได้รถอร่อยก็แสวงหารถที่ไม่อร่อยเอ๊มันก็อร่อยอยู่แล้วนะไปหายังไงไม่อร่อยยังไง ได้ไม่อร่อยแล้วก็สแสวงหารถอร่อยได้รถเย็นก็สแสวงหาร้อนได้ร้อนก็ต้องการเย็นมางั้นอยากได้เย็นก็ได้ร้อนเป็นต้นเนี่ยนะเรียกว่าพอได้น้ำร้อนก็ว่าอยากได้น้ำเย็นพอได้น้าเย็นเข้าอยากได้น้ำร้อนอีกแล้วเนี่ยก็สลับกันอยู่นั่นแหละไม่ยินดีด้วยรถนั้นๆสแสวงหารถอื่นไปเรื่อยเป็นผู้ยินดีติดใจชอบใจลหลงไหลซบสาวเกี่ยวข้องพวัวพันุ์ในรถทั้งหลายนะคิดแต่เรื่องรถนั่นแหละรักาหรถที่ปลายลิ้นนะนะ ตัญหาในรถนั้นพระประเจกพุทธเจ้าละได้แล้วตัดรากขาดแล้วทำให้ไม่มีที่ตั้งเหมือนตามยอดด้วนให้ถึงความไม่มีในภายหลังไม่ให้เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาเพราะเหตุ น, นั้นพระประเจกสมพุทธเจ้านั้น่ะพิจารณาโดยอุบายอันเย็บคายแล้วจึงฉันอาหารเนี่ยนะก็คือมีโยนิโสมรสิการแล้วก็จึงบริโภคอาหาร นะก็ปฏิสังขาโยนิโสปินทปาตังปฏิเสวามิเนี่ยนะเราพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงฉันอาหารเหล่านี้เนี่ยนะไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อมัวเมาไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่นะหรือว่าไม่ฉันเพื่อมัวเมาไม่ฉันเพื่อประดับไม่ฉัน เ, เพื่อตกแต่งไม่ฉันเพื่อเพลิดเพลินเนี่ยนะแต่ก็ฉันเพียงเพื่อให้ร่างกายเหล่านี้ดำรงอยู่ได้เพื่อให้กายเนี่ยเป็นไปได้ เพื่อบำบัดความเบียดเบียนคือความทุกขเวทนาเก่าคือความมิ้วแล้วก็บริโภคนะแล้วก็บริโภคเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์เพื่อให้กายเนี่ยดำรงอยู่ได้จะได้เจริญอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาเพราะมนสิการอีกว่าเราจะกําจัดทุกขเวทนาเก่าไม่ให้ทุกขเวทนาใหม่เกิดขึ้นความเป็นไปโดยสะดวกจกมีได้อย่างนี้จักเป็นความไม่มีโทษความเป็นอยู่พาสุขด้วยประการอย่างนี้ก็ด้วยการกําหนดแล้วก็ฉันอาหารเท่านั้น เปรียบเหมือนคนทาแผลเพื่อประโยชน์ให้เนื้องอกเป็นกำหนดเท่านั้นเรียกว่าทาาอายาทาแผลก็เพื่ออะไรก็ว่าวันหลังแผลจะได้สนิทใช่ไหมหรือพวกเกียนหยอดพวเพลาเกียนถามว่าหยอ หยอดเพลาเกวียนเอาน้ำมันหยอดเพลาเกวียนเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์แก่การขนพาระออกเป็นกำหนดเท่านั้นหรือคนที่กินเนื้อบุตรเพื่อประโยชน์แก่การออกจากทางกันดาลเป็นกำหนดเท่านั้นฉันใด พระปเจกับพทเจ้าก็ฉันนั้นเหมือนกันพิจารณาโดยอุบายอันเยบคายแล้วจึงฉันอาหารไม่ฉันเพื่อเล่นไม่ฉันเพื่อมัวเมาไม่ฉันเพื่อประดับไม่ฉันเพื่อตกแต่งฉันเพียงเพื่อให้ร่างกายนี้ดำรงอยู่ได้เพื่อให้กายนี้เป็นไปได้เพื่อบำบัดความเบียดเบียนเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ฉันก็ด้วยมานาสิการคิดว่า จักกาจัดทุกขเวทนาเก่าและไม่ให้ทุกขเวทนาใหม่เกิดขึ้นอัตภาพจะได้เป็นไปได้โดยสะดวกความไม่มีโทษความพาสุขด้วยการฉันอาหารเป็นประมาณเท่านั้นพระสัจเจกสัมพุทธเจ้านั้นเป็นผู้งดเวน้นเวน้เวนขาดออกไปสลัดออกหลุดพ้นไม่เกี่ยวข้องด้วยตันหาในรถกเรียกว่าตัดฉันธราคะตัดตันหาในรถเนี่ยนะมีจิตทาให้ปราศจากเขตแดนอยู่ เน่ก็ถ้ารวมความสูงสุดก็คือโน่นแหละเจริญพิอาหาเรปติกูลสัญญาถ้าพิจารณาอาหาเรปติกูลสัญญาก็พิจารณาว่ากายนี้เกิดเพราะอาหารเกิดกายนี้ดับก็เพราะอาหารดับพิจารณาความเกิดและความดับตัดฉันทราคะในกายได้ก็ทําที่สุดแห่งทุกข์ได้คาว่าไม่มีตันหาเป็นเหตุให้เหลวไหลความว่าตันหาราคะสราคะเป็นต้นเนี่ยนะครับว่าตันหาที่เป็นเหตุให้เหลีวไหล ตันหาอันเป็นเหตุให้โลเลเหลวไหลนั้นพระประเจกพุทธเจ้าละได้แล้วตัดรากขาดแล้วทําให้ไม่มีที่ตั้งดังตามยอดด้วนให้ถึงความไม่มีในภายหลังไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดาเพราะเหตุนั้นพระประเจกพุทธเจ้านั้นจึงชื่อว่าไม่มีตันหาอันเป็นเหตุให้เหลวไหลก็คือไม่ติดใจในรถทั้งหลายไม่มีตันหาอันเป็นเหตุให้เหลวไหลแล้วก็ไม่เลี้ยงผู้อื่น เลี้ยงแต่ตนเองเท่านั้นบอกว่าอนันญปยสีเนี่ยนะก็คือพระประเจกพุทธเจ้านั้นเลี้ยงแต่ตนเองเท่านั้นไม่เลี้ยงแต่ผู้อื่นดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเราเรียกบุคคลผู้ไม่เลี้ยงผู้อื่นปรากฏอยู่ตั้งมั่นมั่นคงดีมีสาระในธรรมทั้งหลายคือมีศีลสมาธิวิปัสสนามัผลนิพพานเป็นสาระมีอาสวะสิ้นแล้วคลายโทษออกแล้วเราเรียกว่าเป็นพราม เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าไม่เลี้ยงผู้อื่นเที่ยวไปตามลําดับตรอกก็คือเวลาเช้าพระประเจกสัมพุทธเจ้านั้นนุ่งสบงถือบาตรและจีวรเข้าไปสู่บ้านนิคมเพื่อบินธบาตมีกายวาจาจิตอันรักษาแล้วมีสติตั้งมั่นมีอินทรีย์อันสํารวมแล้วสํารวมจากสู่ถึงพร้อมด้วยอริยาบทออกจากสกุลหนึ่งไปสู่สกุลหนึ่งเพื่อบินธบาตจึงเรียกว่าไม่เลี้ยงผู้อื่นแต่ก็เที่ยวบินธบาต คำว่ามีจิตไม่ผัวพันในสกุลก็คือไม่มีจิตไม่ผัวพันในสกุลด้วยเหตุสองนะคือคนที่จิตผัวพันในตรกูเนี่ยผัวพันด้วยเหตุสองหนึ่งเรียกว่าตั้งตนเอาไว้ต่ำตั้งคนอื่นไว้สูงแล้วก็มีใจผัวพันกันอย่างที่สองก็คือตั้งตนไว้สูงตั้งคนอื่นไว้ต่ำแล้วก็ผัวพันกันเนี่ยนะก็แล้วแต่นะคิดว่าเขาสูงเลยแล้วแต่หรือจะคิดว่าเราสูงไป กลุ่มแรกบอกว่าภิกษุตั้งตนไว้ต่ำตั้งผู้อื่นไว้สูงแล้วมีจิตทั่วพันธ์เป็นอย่างไรกล่าวว่าภิกษุเอ่อภิกษุท่านกล่าวว่าคือภิกษุนั้นน่ะก็มาพูดว่าท่านทั้งหลายมีอุปการะมากแกอาตมาอาตมาได้จีวรบิณฑบาเสนาสนาักนะีฬาณปัจจัยเภสัชบริการทั้งหลายก็เพราะอาศัยท่านเหมนน โอุ้ปการะมากเนี่ยปัจจัย4ีทั้งหมดของท่านหมดเลยแบบนั้นคนอื่นๆ อ, อาศัยท่านทั้งหลายเห็นแก่ท่านทั้งหลายจึงสำคัญเพื่อจะให้หรือจะทำเพื่อแก่อัตมาคนอื่นที่ไม่ช่วยช่วยอัตมาเนี่ยนะเพราะเห็นแก่ท่านเขาเกรงใจท่านหรอกนะแบบนั้นชื่อและวงสกุลของโยมมานาโยมบิดาเก่าของอัตมาเสื่อมไปแล้วตอนเนี้ยทางทางพ่อทางแม่เนี่ยนะไม่เหลือแล้วเนี่ยนะอัตมาได้ว่าตอนเนี้ย เ ป, เป็นอะไรเป็นกุลุประการของอุบาสกโน้อนอุบาสกแปลว่าเป็นโยมของตระกูลโน้นไปเรียบร้อยแล้วเราเนี่ยเป็นกุลุประการเป็นพระประจําสกุลโน้นไปแล้วอุบาสิกานั้นไปแล้วพิกษุเป็นผู้ตั้งตนเอาไว้ต่ําตั้งคนอื่นเอาไว้สูงอย่างนี้แล้วก็มีจิตทัวพันธ์คล้ายกับว่าขาดเขาแล้วเราก็อยู่ไม่ได้เนี่ยนะที่อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะเขานั่นแหละว่างานอันนี้เราว่ามีจิตวางไว้กับตระกูลส่วนอีก อีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าตั้งตนไว้สูงตั้งคนอื่นไว้ต่ําแล้วก็มีใจผูกพันอีกเหมือนเดิมว่าอย่างไรภิกษุรูปนี้ก็กล่าวว่าอาตมานี้มีอุปการะมากแก่ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายอาศัยอาตมาจึงได้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะถึงพระธรรมเป็นสารณะถึงพระสงฆ์เป็นสารณะแปล ว, ว่าท่านทั้งหลายถึงสารณะคมก็เพราะอาตมานะ ท่านเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์รักษาประพฤติผิดในการพูดเทจ ด, ดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทแปลว่ารักษาศีลห้าได้ก็เพราะอาตมานี่แหละสอนอนอาตมาให้อุเทศให้อุอเทศใ ห, ให้หัวข้อให้ปริปุชชาบอกอุโบสถอธิษฐานนวะกรรมแก่ท่านทั้งหลายเมื่อเป็นดังนั้นคือไอที่พูดทั้งหมดเนี่ยประโยคที่ต้องการจริงๆอยู่ที่ว่าท่านทั้งหลาย ถ้าสละอาตมาแลว้วย่อมสักการะเคารพนับถือผู้อื่น น, นะเมื่อ เ, เรียกว่านี่ขนาดเราช่วยเขาขนาดนี้นะทำไมเขายังทิ้งเราได้ไปนับถือคนอื่นได้ยังไงเนี่ยนะคล้ายว่าลําเลิกบุญคุณอุปการะคุณเก่าๆที่ตัวเองทํามาทั้งหมดว่าไม่ต้องไปนับถือคนอื่นเรอ่าคล้ายๆแบบเนี่ยนะอันนี้ เ, เรียกว่าตั้งตัวเองไว้สูงแล้วกดคนอื่นไว้ต่ําแต่ก็มีใจผูกพัน คำว่า อ, นนอันนั้นลักษณะที่เรียกว่าพัวพันในสกุลทั้งหลายก็พัวพันด้วยเหตุสองอย่างไม่ตั้งคนอื่นไว้สูงบ้างตั้งตนไว้ต่ำหรือตั้งตนไว้สูงตั้งคนอื่นไว้ต่ำแล้วก็พัวพันในสกุลส่วนผู้ไม่พัวพันในสกุลความว่าพระประเจกสัมพุทธเจ้านั้นมีจิตไม่พัวพันด้วยความกังวลในสกุล สกุลอุปถากเป็นต้นเนี่ยนะในคณะในอาวาสในชีวนบินทบาทเนาสนาสนะกิฬานะปัจจัยเภสัชบริขารจึงเชื่อว่ามีจิตไม่พัวพันในสกุลเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนหนอแรดฉะนั้นเนี่ยนะสะรุปว่าพระประเจคผูพุทเจ้านั้นไม่ทำความติดใจในรถทั้งหลาย ไม่มีตันหาเป็นเหตุให้เลวไหลไม่เลี้ยงผู้อื่นเที่ยวไปตามลำดับตรอกมีจิตไม่พัวพันในสกุลเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดนอแรดเนี่นะ